หรือไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้เมื่อสมาธิทรงตัวไม่ได้ศีลก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศีลนอกหรือศีลในขณะเรามาหากําไรจากค่าของศาสนากิริยาของธรรมนะก็ควรจะรู้จักคำว่าการรักษาซึ่งคําว่าศีลสมาธิปัญญาขึ้นทตนี้ถ้าคนหนึ่งผู้ใดได้มาเกียรติคราสไม่ทําในการงานเรื่องการ ศ, าศาึกษาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อติจ้าแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาปัจจุบันนี้คนเรานี่มักจะนิยมในคำว่ารักษาสิลหรือว่ารับสินในทางวาจาเพียงเพียงเท่านั้นแต่เรื่องของจิตนั้นไม่มีกิริยาที่จะทําในคําว่าสินไปเลยเราจึงไม่มีเคลียในคำว่าปฏิบัติกายในลักษณะสมาธิอของคำปอากาศธรรมของพระไม่มีการใช้จิตพิจารณาถึงการลดละสิ่งที่จะมาเป็นผู้ทําลายสินขึ้น ท่านถึงบอกว่าถือเศ็นบริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจะมนุษย์ธรรมดาแล้วเนี่ยมนุษย์ธรรมดานะเขาก็มีแค่ตื่นมากินกินแล้วก็เดินไปเดินมาพูกกันไปหากันมาทะเลาะกันไปแล้วเราก็นอนกันไปแล้วก็ตื่นขึ้นมากินกันใหม่ทะเลาะกันใหม่หาดีหาชั่วหาดีหาชั่วเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่าเรื่องเกิดเรื่องตายเขาถึงเรียกว่ามนุษย์ธรรมดา ถึงจะมีทรับสินมีเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศแค่ไหนมันก็มนุษย์ธรรมดาเกิดมาแล้วตายตอนนี้ถ้าเรามาอยู่ในการกระทำของพระอย่างขนาดนี้อะเรามาเดินจงกรมกันเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งสินเรียกว่าธรมสมาธิเรามาใช้จิตพิจารณาถึงสิ่งต่างของอารมณ์ที่จะมารบกวนคำว่าสินของเราเราได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา ใช่จึงเรีกว่าเราเดินตามองค์ศาสนาจึงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ที่คืบคลานขึ้นมาในลักษณะว่าจิตแปลว่าเข้าใจในคําว่าสินสมาธิปัญญานี่แหละเขาเรียกว่าค่าของคนน่ะอยู่ที่การพิจารณาถึงความเข้าใจในเหตุผลของธรรมแตนี้คนเราไม่มีค่าเพราะาจับพิจารณาเหตุผลของธรรมมันจึงไม่มีค่าขึ้นนะแตนี้ถ้าเราอยากจะมีค่าของธรรมแล้วก็ เราจะรู้จักพิจารณาเหตุผลของธรรมมากๆคือจิตของเราเนี่ยจะมีค่ามีดีมีราศีมีสติมีปัญญาหรือว่ามีศีลมีสมาธิปัญญาน่ยต้องรู้จักพิจารณาเหตุผลของธรรมถ้าเราไม่พิจารณาเหตุผลของธรรมมันยากที่มนุษย์เราจะได้ดีมนุษย์ไม่มีธรรมนะที่มนุษย์จะได้ตกนรกเกิดเป็นสัตว์บางทีก็กลายเป็นมนุษย์มิลขับโหดเที่ยงทาลุน ในคำว่าพ่อแม่พี่น้องวงวานสาขนาญยากติดเตียนนินทาอิจฉาริษยาทําร้ายสงเพลงรังแกกันนั่นเขาเรียกว่ามนุษย์มีลักษณะเป็นมนุษย์ที่โหดเทียมและทาลุณเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลทำไปกรรม จ, จิตเขาเรียกว่ามนุษย์ที่ไม่มีล่องรอการการะทําของพระนั่นเองแต่ในเราตรงการกระทําของพระเพื่อจะรักษาคําว่าศีลคําว่าสมาธิและคําว่าปัญญา แต่ใ น, ในบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเก็จะมีธรรมประกอบขึ้นมาในลักษณะธรรมสี่ประการทือหนึ่งมีเมตต า, นะาความาความปราณีการุณาความสงสารเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนเป็นบุคคลที่มีใจสุ ข, ขุมและเยือกเย็นรู้จักเผื่อแพ่จนเจือช่วยเหลือเอือเ้อเฟื้อนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายหรือทางจิตนะ บุคคลนั้นก็เอื้อเฟื้อขึ้นเช่นเขาไปแนะนําให้ทําดีอย่างเงี้ยเราควจะรู้จักเขาว่าเขาเนี่ยเอื้อเฟื้อเราเขาแนะนําให้เราทําดีสอนให้เราทําดีชี้แจงให้ทําดีนั่นเราจะรู้อาจจะควจะรู้จกักการเอื้อเฟื้อในคำว่าคุณธรรมของผมมีฐาสี่ขึ้นเหมือนอย่างพระเจ้าของเราได้ชื่อว่าตั้งไว้ซึ่งผลงคือถ้าเป็นผู้มีมเอ ม, มีเมตตามีความกรุณามีมุทิตามีอุเบกขานั้นขณะคุณธรรมสี่ประการเนี่ย ท่านกระเ อ, อือเฟื้อเผือแผลจุนเจือกับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทําดีให้ลดละความชั่วอย่ามั่วอยู่ในคำว่าเกิดตายกันมากนักควรจําระล้างสสารบาป ก, กรรมทั้งหลายที่เราเคยทำขึ้นนั่นเราจะเห็นว่าท่านนะมีเหตุผลของธรรมนะท่านจึงได้ชื่อว่ามีธรรมสี่ประการเป็นที่นําไปเราไปผู้ศึกษาค้นคว้าทางกิริยาของธรรมก็ควรจะมีกิริยาธรรมแบบที่ท่านกระทําขึ้นบ้าง เขาเรียว่าเรามาสรงธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดเปความเข้าใจในธรรมในนั้นเขาเรียกว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีพรหมวิหารสี่เป็นที่อาศัยหรือเขาเรียกว่าวิหารธรรมแปลว่าที่อยู่ของบุคคลผู้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาอาบุคคลผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะไปตั้งตนอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นศพมีแต่ความเจริญ พระบุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นผู้ที่เบียดเบียนใครหิดฉาใครริษยาใครทําร้ายใครหลอกลวงใครไปปิน้นไปก้อนอะไรกับใครทั้งสิน้นเรียกว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศักจากของความดีนั่นเองเหมือนอย่างพระเจ้าของเราหรืออังกสาลูกหรือว่าภิกษุภิกษุณีบาสบุบาสิกาผู้มีศีลมีธรรมนไปตั้งอยู่ที่ไหนนะบุคคลนั้นก็มีแต่คําว่าสร้างความเจริญ เมื่อว่าความเจริญเหล่านั้นจะมาความเป็นความเจริญของกายก็ดีหรือจะเป็นความเจริญของจิตก็ดีนะท่านเป็นผู้ที่สอนให้สอนให้บคุคคลเหล่านั้นมีความเจริญขึ้นในกคำมเหตุผลของธรรมเพราะเรารู้จักพิจารณานี่แหละเราจึงเนี่ยเราจึงเรียกว่าไม่ใช่คนธรรมดานะเราเป็นบคุคคลที่เรียกว่ามีสติเนะี่ยมีสติมีสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วกันแล้วว่าอะไรควรอะไรที่เราควรจะกระทำขึ้นให้มันเหนือธรรมอะ่ะ สามัญชนคนธรรมดาคณะการปฏิบัติธรรมที่เราก็ทําอยู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกระทําของพระเรามาเดินอยู่ในร่องรอยของพระ จ, จึงเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาไม่สนใจไม่สนใจแล้วก็ไม่พอใจด้วยแล้วก็มหาแล้วมีการชิงชังแล้วบางทีก็มีการติเตียนนินทามีการใส่ร้า ย, ายป้ายสีเรียกว่าอิจฉาริษยา นานาช น, นิดของบุคคลที่เรียกว่าไม่สนใจทำในสมัยก่อ น, นก็มีอย่างที่เรารู้จักว่า อ, อย่างพระเทวทัศน์อย่างนี้เห็นไหมอิจฉาฤทธิ์สยามมก็ทั้งองค์พระพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วบุคคลนั้นเป็นไงบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่ามีแต่ความชั่วเป็นที่ต่ำไปอิจฉาคนดีอย่างที่โบราณก็พูดว่าถมน้ําลายขึ้นฟ้า แล้ดน้ำลายอันนั้นมันจะไปตกถึงหน้าของใครถ้าไม่ใช่หน้าของเรา <c oughs> เราเป็นมนุษย์ตัว น, น้อยๆนะไปติเตียนพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ไปถือว่าตัวเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์แม้ประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไหนรู้จักดีจักชั่วกับไปติเตียนนินทากับไปว่าท่านท่านสอนให้ดีกับว่าไม่ดีไอ้ที่ไม่รู้จักดีเพราะเพราะว่าไม่พิจารณาเหตุผลของธรรมนี่เป็นอย่างนี้ โบราณเขจะเปียบเทียว่าถมน้ำลายขึ้นท้องฟ้าและน้ำลายหล่ะนะมันก็ตกมาในหน้าของใครมันก็หน้าของเราไปติเตียนคนดีคนดีเพราะอุเบกนะขาเขาไม่คล้องกรรมด้วยเขาไม่เอาด้วยไอความชั่วเหล่าน้ำ้นหล่นไปที่ไหนมันก็หล่นไปที่หน้าของเราหล่นไปที่วาจาของเราหล่นไปที่กายของเราแล้วก็หล่นไปที่จิตของเราเราก็เลยได้ไหน้าได้ชื่อว่าเป็นผู้รับกรรมชั่วต่อไป เนีอุเบกขาในลักษณะของพระจึงไม่ดีในคําติคําเตียนในคําอิจฉาริษยาส่งเสริมทำทำร้ายหรือทําลายท่านท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุเบกขาให้สิ่งที่ดีโดยที่เรียกไม่เรียกร้องสิ่งที่ะจะจะมาให้คืนท่านใช่นพระเจ้าท่านสอนทำให้ท่า น, นจะเอาลาบเอายศเอาเงินเอาทองทําให้เราเชื่อมีชื่อมีอัชื่อเสียงเสีองเสีย เเงินเสียทองเสียเวลาเวลาอะไรคือท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้จักดีและให้ทำดีขึ้ น, นไม่ใช่ว่ามาจ้างท่านไหนสอนแล้มาจ้างให้ท่านในงวนอย่างนี้อะไรนะทำไมยินดียินได้ในลักษณะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้ น, นทำดีก็เป็นของตัวเองทำชั่วก็เป็นของตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้น <c oughs> เพราะ น, นั้นเนี่ยเรามาศึกษาธรรมหลวงพ่อเ จ, จ่านะเพื่อจะให้มีความเข้าใจในเหตุผลนะเมื่อเรามีความเข้าใจในเหตุผลแล้วเนี่ยเราก็ได้นําเหตุผลของธรรมเนี่ยไปประกอบขึ้นให้ดีไปประกอบกายของเราให้ดีประกอบวิจารให้ดีประกอ บ, บจิตให้ดีะดดนะถ้าแล้ถ้าเรานําถ้าเราไม่นํารําของของท่านเนี่ยไปปฏิบัติแล้วเราก็ได้ยเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆรู้ดีรู้ชัว่วแต่ไม่ทำํำเรา ความดีที่รู้อยู่ก็ไม่ทาคนเราเนี่ถ้ามาถ้าไม่ทําความดีกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรความชั่วมันก็เกิดขึ้นญาติโยมทั้งหลายที่มาศึกษาทำที่นี่กันเหมือนกันอาจจะเคยไปอยู่ศีลมือโบสดเคยไปอยู่ตามวัดตำบาไปรับศีลรับทานอะไรกันขึ้นที่วัดในขณะจะเป็นเทศการอะไรออกพรรษาข้ามพรรษาหรือจะเป็นวันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามเล็กว่าใส่มาสามเดือนทุกนี้ ตอนนี้ถ้าเรานำฐานธรว่สมาธินไปใช้ศิลเราก็จะดีเขาเรียกว่าสินใจถัดสร้างสินใจในคำว่าพุทธโธอยู่ในองค์ภาวนาถัดสร้างสินใจในคำว่าใช้จิตพิจารณาอยู่ในคำว่ากิริยาของพระคือยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างเขเรียกว่าสายญาติบ้างเขเรียกว่าสี่กิริยาของความเพียรเมื่อเราตั้งสมาธิอยู่ในคำว่ามีสิลมีสมาธิแล้ว เ, เราก็จะมีปัญญา ใช้จิตถึลาพิจารณาถึงสิงต่างเออแล้วก็แก่แล้วนะแล้วก็เกิดวันนี้แล้วก็ควรจะหาดีควรจะทําดีจะไปอิจฉาไปชี้ยะไปโกรธไปเครืองไปติไปเตียงก็ทําไมเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็ตายแล้วต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปชีวิตนะ่ะคือสิ่งที่อาศัยหรือว่าโลกก็เป็นสิ่งที่อาศัยไม่ควรจะมายินดียินร้ายอะไรไม่ควรจะไปโกรธไปเครือ ง, ไ ป, องไปยึดไปถืออะไรมากนักเราก็คงจะมีปัญญาขึ้น อย่างน้อยสิ่งที่ขวางหน้าเราอยู่เนี่ยสิ่งที่เราว่าหลีกไม่พ้นไม่มีมนุษย์หรือสัตว์คนไหนหลีกไม่พ้นแบบคือจะหลีกพ้นไปได้สึ่งเรียกว่าความตายนะทุกคนจะต้องเดินไปสู่สิ่งนั้น <c oughs> จุดสุดท้ายของชีวิตที่เกิดมาคือความตายเป็นที่ต่ำ <c oughs> แต่นี่ในขณะที่ความตายยังไม่มาถึงเนี่ยเราควรจะทาดีกันขึ้นอย่าไปประมาทประกาว่าฆ่าน้าไม่ตาย ไม่มีมนุษย์คนไหนนี่จะจะหลุดพ้นจากขมาบตายไปได้นอกจากองค์สัพพัญยูนะเวลานี้ท่านหลุดพ้นไปได้แต่ในขณะที่ท่านมีกายอย่างเราเ น, นี่ยท่านก็หนีความตายไม่พ้นเหมือนกันท่านจึงประกอบแต่ความดีเช้าก็ทําดีสายก็ทําดีบ่ายก็ทําดีเย็นก็ทําดีกลางคืนก็ทําดีทําดีให้ตลอดในฐานะที่มีสติมีสัมปชัญญะ จะอยู่ในสัมมาอาชีพอะไรจะอยู่ในกิริยาของอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าจะอยู่ในกิริยาของนัก บ, บวชแล้วก็ควรจะมีเหตุผลทั้งธรรมเป็นที่ตั้งขึ้ น, นเอาพระพุทธธรรมพระสงค์ตั้งในใจพระพุทธจะสอนให้รู้จักอารมณ์เลือกอารมณ์พระธรรมจะสอนให้รู้จักเหตุผลของอารมณ์พระสงฆ์ก็สอนให้รู้จักแนวทางของอารมณ์ เรามีพระพุทธธรรมประสงค์ที่แจ้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรเนี่ยมาไปที่ตั้งที่บูชาอีกแล้วไม่ต้องไปกราบไหว้ผีสารนานไม้เจา้จาพ่อเจ้าแม่ที่ไหนนะต้องมาด้ามไม้ที่ไหนแล้วมาเป็นที่บูชายพยายามที่จะทําตามเยี่ยงอย่างขององค์ศาสนาที่เราเคารพบูชาท่านให้มากขึ้นมากขึ้นเน่ยเราจะได้ชื่อว่าเกิดมาชาตินี้เนี่ยชีวิตของเรามีประโยชน์ เราเกิดมาสร้างความดีเราไม่ใช่เกิดมาสร้างความชั่วเราเกิดมามองดูโลกพิจารณาโลกแต่เราไม่ใช่เกิดมาหลงโลกไม่ใช่เกิดมาในลักษณะว่าเป็นไปตามของโลกอะไรไประเภทอย่างนั้นในขณะที่อะไรอะไรมันเกิดขึ้นมาก็ใช้จิตของธรรมที่เรียกว่ามีสติเหตุผลต่างๆเนี่ยพิจารณามากไ ม, ม่ว่าจะเป็นกิริยาเดินกิริยานน่งโดยเฉพาะเวลานี้ เราทําอะไรกันอยู่เดินจงกรมอยู่หรือนั่งอยู่ก็ควรจะมีสติมีสัมปชัญญะกันนี่ไหนเขเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นผู้รักษาเราตั้งใจกันมาทุกคนเราจะมารักษาความดีทุกคนมาฟังธรรมแล้วเขเรียกว่าพบธรรมศึกษาธรรมเข้าใจเหตุผลของธรรมก็ทำดีขึ้นเราไม่ทำดีให้แกเราแล้วใครจะทำให้เรา อย่ามัวมาติมาเตียนอย่ามัวอิจฉาริษยาอย่ามัวหลงกินหลงนอนหลมโกรธหลงเครื่องอาฆาตพยาบาทจองเวนสิ่งตา่างทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่วิถีทางที่จะนําชีวิตของเราให้เป็นสุขดูเย่งอย่างพระพุทธองค์กายท่านสดใสอย่างไรวาจาท่านสดใสอย่างไรจิตท่านสดใสอย่างไงก็นําไปคิดไปพิจารณากันเราก็จะเกิดเป็นความรู้และความเข้าใจขึ้น ว่าเราเนี่ยเดินอยู่ในล่องรอของพระพุทธองค์แล้วก็เรียกว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วคณิตบอกว่าปัญจัะทั้งห้าเจ้าเอย๋ยท่านเครื่องสังเวยเรามีท่านจะขึ้นมานั่งเล่นจะเป็นไรแต่ น, นิราชรักหลงโกรธคงไม่สุ่ได้หมายความว่าถ้าเราจะมาอยู่ในอนาเขตของท่านเนี่ยถ้าก็ยินดีตั้งรับหรือถ้ามีสิ่งต่างๆที่จะให้ เหตุผลของโลกก็ดีเหตุผลของธรรมก็ดีปัจจัยสี่ต่างๆที่อยู่ที่อาศัยก็ดีนะท่านจะเป็นผู้ให้ให้ความสุขทั้งขณะที่อยู่ให้ความสุขขณะที่ไปให้รู้จักทุกข์ของตนเองที่ผ่านมาดับทุกข์ในปัจจุบันที่อาศัยเราจะได้รู้สิ่งต่างๆขึ้นท่านจึงเรียกร้องว่าปัญจะทั้งห้าเจ้เอย๋ยท่านเครื่องสังเวยเรามีท่านจะขึ้นมานั่งเล่นจะเป็นเลยแต่ว่าระวังโลกโกรธนง เรามานั่งตรงโลกปวดหลงของอารมณ์อย่าไปเสียดายถ้าเรบไปเสียดายโลกปวดหลงบางทีอารมณ์ต่างๆมันอาจจะจุดกระชากลากเราเออกไปอิบออกไปสู่ธรรมะอารมณ์ของทุกขตัวกระทําของทุกทายากระหมดอารมณ์หมดตัวกระทําของทุกก็อยู่ในศาสนาอยู่ในกิริยาการกระทําให้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาตั้งไว้เ้าเรียกว่าหาแนวทางของพระประกันชีวิตขึ้นมา ไม่ใช่ว่ามัวแต่หลงหาปัจจัยสี่ประกันชีวิตกรรมกาลแต่ว่าบาปหรือบุญทั้งหลายนะั้นไม่เคยที่จะหาหลักฐานขึ้นบาปนําไปสู่ทุกข์บุญไปหาสุขบรารมีถ้าให้เกิดเป็นยาก็สแสวงหาขึ้นให้มันเป็นหลักเป็นฐานเกิดมาเป็นวันเกิดมาเป็นคืนในะชื่อว่ามีชีวิตฟื้นขึ้นมาในโลกไม่ใช่ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็หลับต่อไปฟื้นขึ้นมาแล้วก็มองดูโลกบางที่อาศัย โลกของคนที่เกิดที่แก่ที่เจ็ บ, ท, จบที่ตายเป็นยังไงยังไงก็ดูรับมันรู้จักในใิสัยถึงที่เราเกิดกันมามันพอพ อ, อจะมีคุณมีค่ามีประโยชน์รู้จักคุณรู้จักโทษต่างๆนานาชนิดขึ้นทำให้เสมอภาพกันไปก็คือกิริยากายของพระเช่นเวลายืนยืนให้ถูกเวลาเดินเดินให้ถูกเวลานั่งนั่งให้ถูกสีหะสาย่าก็ให้ถูก แต่ว่าอีกภาคหนึ่งเขาเรียกว่าภาคใจหรือภาคจิตมันอาจจะเสมอภาพกันไม่ได้เพราะว่าต่างจิตต่างใจตอนนี้ถ้าใครทําจิตได้คนนั้นก็จะมีคุณธรรมจะเรียกว่าศิลสมาธิปัญญาปกคุมคนไหนไม่มีจิตที่สํารวมต่ออารมณ์ได้ก็อาจจะทําจิตกับเขาไม่ได้นี่แหละก็เป็นแบว่ามีอย่างเดียวที่เรายังไม่เสมอภาพกันก็คือจิต แต่ลักษณะกายของเรานี่อาจจะฝึกให้มันเสมอกันไปได้เลยเรียกว่าสาเร็จพร้อมกันสร้างความเข้าใจาพร้อมกันขึ้นเอาละตอนนี้เอามือเราทำสมาธิเลยในขณะที่มือทำสมาธิไปแล้วนี่ในขณะที่เราเดินนี่นะอย่าเชื่อเอามือของเราเนี่ยไปลูปไปไล่ไปปัดไปควานไปตบไปเวียงอะไรตรงไหนไม่ได้นะเรียกว่าหมดสิทธ หมดติดที่จะเอามือของมือทั้งเรานี่ไปเชือ่อลูปโน่นรูปนี่ะเก่านโน่นเก้านี่ตบนโตน่นตบนี่ไม่ได้นะถ้าเราเอามือั้งเรานี่ออกไปจากคาว่าท่าสมาธิอยู่เนี่ยเ้าเรียกว่าอาระบบพล่องอันนี้ถ้าเราไปตกยุงหรือไป ม, มีมดมัง่งอะไรบ้างนี่ก็เลยเป็นบาปไปเลยถ้ากัเราหมิ่นปรมาทท่าของพระ จำไว้นะต้องสํารวมเลยในะขณะที่เดินเนี่ยสํารวมให้นิ่งเดินให้มันเยือกเย็นก็ไม่ต้องเดินเร็วแล้วไปต่างเดินชา้าพอดีๆตามธรรมชาติเราไม่ใช่มาฝึกประเภทยืบหนอพองหนอนะไม่ใช่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรเงี้นไม่เอานี่เราแบบว่าเดินธรมธรมชาติโดยตามสบายเขาเรียกวมัชฌิมาเดิน ส่วนจิตเราก็ทำจิตของเราให้ดีๆเราจะภาวนาหรือเราจะพิจรารณาทำจิตมัชจิมาอะไรก็ให้มันถูกต้องลักษณะเดือนนี้เป็นเดือนอเป็นเดือนดุมักผลใช้เรียกว่าเป็นเดือนอสีกรรมธาตุทดสอบทดลองความแข็งขันแหะเจ็บไม่มีป่วยไม่มีไข้ไม่มีมีเหมือนกันเกิดขึ้นมาก็ต้องทน ทนกันจนเรียกว่าทนกันจนนิ่งถึงจะหามออกถ้ายังไม่นิ่งต้องทนกันอยู่ที่นี่รู้ว่าลร เ, เป็นอะไรก็ออกจากข้องปฏิบัติไปก็ไปหาอยู่พหายากินจ้เรียดร้อยเข้ามาแล้วก็หรืออย่างเดียวว่าทนเท่านั้นเนี่ย ง, งานเขาบอกว่าอย่างเดียวว่าถ้าสลบแน่นิ่งไว้เมืม่อไรก็หามไปพยาบาลถ้ายังไม่สลบยังไม่หามนะ ชักอยู่ก็อยู่ในนี้อ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเราฝึกเพื่อยกอารมณ์และตัวกระทาทิ้งเราไม่ใช่ฝึกประคับประคองอารมณ์และตัวกระทำนี่เป็นอย่างนั้นอ่าพร้อมสมบูรณ์แล้วนะอ่ะ า, อะทาทำมันอ่าทำสมาธิเลยนะมือสองมือขึ้นเลยนะร้อมแล้วใช่ไหมรวมไปข้างหน้าให้ดีๆใช้กิริยาการเดินให้สงบเขาเรียกว่า โสรจจะมีสติสงบสงเวยมเตรียมตัวหรือระมัด ร, ระวังอยู่ในการเดินสํารวมกายสํารวมจิตภาวนาพุทโธหรือจะพิจารณา อ, อารมณ์หรือกรรมหรือโลภโกรธหลงหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างหนึ่งยังใดขึ้นให้เป็นอุปนิสัยและพยายามที่จะซ่อนเล่นจิตของตนเองเป็นมัชจิมาเขาถึงศีลสมาธิปัญญาของธรรมให้ได้ แล้วแต่บุญวัฒนาของจิตแต่ถ้าจิตยังไม่ถึงธรรมก็พยายามทำกายให้ดีๆไว้เอาละก้าวได้เลย แ, ลแต่แต่ก้าวกันออกไปมัชฌิมาเห็นการก้าวแล้วเนี่ยให้บกพล่องเนี่ยนะตโงออาเห็นไทรสะบัดซ้ายสะบัดขวาแล้วก็ถือหันหน้าไปมาแล้วก็จด เอาเลยละอีกคท่เนี้รายการจดแล้วก็รายการทำโทษให้รู้จักธรรมะอาตาหิทินะนี่เราฝึกอัตาหิทิกันมาสองเดือนตอนของตนดูแลตนได้แล้วเราไม่ดูแลตนของตนใครจะดูแลให้เรา แนวทางต่างๆสติปัญญาต่างๆที่แนะแนวทางกันมาตั้งสองเดือนแล้วนะคนจะจดคนจะจำคนจะรู้แล้วอะไรเป็นธรรมเป็นตัวกระทาเป็นสิ่งดีไม่ดีพอจะได้รับรู้กันบ้างแล้วก็เรียกว่าเรามีวัดไว้เพื่อแสวงหาบุญบรารมีไม่ใช่ว่ามีวัดไว้เพื่อสร้างแบบสร้างบาสร้างกรรม หรือว่ามีวัดไว้เพื่อสำหรับเอาไว้กินไว้ไว้นอนเรามีพระพุะทธธรรมพระสงฆ์หรือว่ามีพระพุทธเจ้าตั้งอยู่เนี่ยเพื่อให้เรารู้จักคำว่าความประพฤติของธรรมหรือว่าสิ่งที่เราจะได้จะคคำว่าโลกที่อาศัยแล้วว่าบุญบา ร, รมีไม่ใช่ว่าเกิดมาทำบัญชีกรรมกันทุกวันทุกเวลาหรือว่าไม่ว่าตรงโน้นตรง น, น, รงนี้ที่บ้านที่วัดอะไรก็เป็นเวรเป็นกรรมไปหมด รู้จักรักษาลักษณะว่าทางตรงไหนเป็นบุญสถานที่ไหนเป็นบุญบุญก็อ่านบุญให้รู้เมื่อเข้าสู่บุญแล้วก็พยายามกรอบกยบุญเรียกว่าสแสวงหาสติปัญญาให้เกิดเป็นธรรมขึ้นเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วชีวิตเราก็แก่ลงไปพยาธิก็มากมายกายกองที่เกิดขึ้นแต่และ ว, วันแต่และคืนชีวิตผ่านมา อาศัยยาประทาประทางอาศัยกรรมยังไม่ถึงคาว่าประหารนี่ก็เรียกว่ากรรมตัดรอนถ้ากรรมโดงนั้นมันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในชั้นบรรณะฐานนะวัยอะไรชีวิตนั้นก็ไหลผ่าเอาแล้วนะยานะอย่าท้าทายสีกรมท่าพระชนะ จิตเรารู้จักคำว่าธาตุรักษาธาตุให้เป็นธรรมจิตเรารู้จักคำว่าวิญญาณสำรวมวิญญาณให้ดีวิญญาณมันเดินเร็วเราก็ต้องมีจิตเร็วๆตากระทบลูกผู้ได้ยินเสียงต้อะมัดระวัง ฝึกให้มันจริงจงจังจังฝึกให้มันดีเราฝึกให้มันมีลาศีลาสันฝึกให้ควงแก่การงานสิ่งที่เรารู้จักในฐานะที่เรามาพบแล้วพบธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมได้มรรคผลของธรรมเราพบธรรมเราไม่ศึกษาธรรมเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้มรรคผลของธรรมได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าทาไม่รู้ไม่ใช่เราเข้ามาที่นี่นี่ไม่มีใครเขาบอกเราเลยนะไม่ใช่มีใครสอนใครสั่งเลยเขาบอกเขาสอนเขาสั่งเขาชี้เขาแนะเานำให้รู้จักคำว่าคุณธรรมมีคุณมีโทษมีประโยชน์ mm hmm. เขาบอกอยู่ตลอดเวลาแต่ทีเรียกว่าเราพบทมแล้วเราก็ศึกษาทำเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำให้ดีด ปฏิบัติทำดีๆมักผลก็เกิดขึ้นกับเราดีๆเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้อุปนิสัยของธรรมไปสักเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนก็พยายามกระทำขึ้นเถอะชีวิตน่าจะมีประโยชน์มีค่าสำหรับบุญกุศลบรารมีของตนที่ได้กระทำขึ้นทาไมวางกฎเกณฑ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นบางทีเราก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์กันเท่าไหร่ละอ่อนแอ มอนก็เด็กงงนงแต่ละก้าวทีละก้าวไปหนึง่งเขาเรียกว่าเาเรียกว่าค่าของธรรมเราก้าวก็อยู่ในตัวก ร, รนะทาเนี่ย แล้วก็เคยรู้แล้วว่าเป็นยังไงเราเนี่ยกราบพระริจ้ากันอยู่ทุกวันทุกเวลาเลยเราหั่นสัมมาสัมพุทธโธพระควาพุทธังพระกาวันตังอภิวาเทมิเราไหว้องค์กสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ไปดีมาดีอุเป็นตถาคตเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นาศาสดาเป็นผู้แนะผู้นํา สว่าขาโตพระกวตาธรมโมธรรมังนรมัสสามิแล้วก็กล่าวเหตุผลของธรรมเป็นใหญ่ว่าธรรมของท่านกล่าวไว้ดีแล้วชอบแล้วได้เหตุได้ผลสุปฏิปันโนก็เหมือนกันท่านก็บอกกล่าวถึงญ่าตต่างๆที่เป็นบุญเป็นบารมีให้แก่เราเนี่ยเราก็กล่าวกันกล่าวกันเช้ากล่าวกันค่ำกล่าวเพื่อ ท, ที่จะนำจิตของเรานี่ยสู่แนวทางเส้นนี้ให้ได้ หมายพึ่งองค์พระผู้เตเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยหมายพึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหมายพึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาศัยเมื่อพึ่งแล้วทําแล้วก็เข้าใจดีแล้วก็ทําไปอย่าให้เสียเวลาแห่งการกล่าวควากล่าวคำไหว้ของเราเกิดมาชาตินี้มีดีมีประโยชน์รู้จักคุณจักโทษนะ่ะเรียกว่าประโยชน์ของเรา เกิดมาทั้งทีไม่รู้จักดีจักชั่วไม่รู้จักคุณประโยชน์มันก็เป็นโมฆ ะ, ะเขาเรียกว่าชีวิตนะสร้างแต่โลกทำไม่เคยสร้างสร้างแต่กรรมบุญไม่เคยทำบารามีไม่เคยสร้าง ยังไม่ออกฤทธิ์อะไรได้นะสีกรมท่านะเดี๋ยวเดี๋ยดูต่อไปอีกสิบอกไปแล้วนะเครื่องหมายเ็าบอกว่าสีกรมท่าตั้งท่าให้ดีสีฝึกนี้สีประเภทนี้ไม่เข้าใครออกใครสีประเภทนี้ต้องมีความอดทนเป็นใหญ่ บางครั้งน้ำตาเลี้ยนน้ำตาหล่นก็จะทนไม่ไหวก็ต้องทนต่อไปบางทีกายสัน่นจิตสัน่นเราก็ต้องทนอยู่เหมือนกันโลกุตรนะเนี่มันต้องฝึกกันหนักหนักมันจะรู้จักพระนะ่ะ แปลว่าผ่านผลทุกข์แล้ไม่ใช่มาปึกกันเบาๆฝึกกันสบายๆแล้วแต่ใครจะทําอยากกะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนอยากจะกินก็กินอยากก็พูดอะไรกับพูดอยากจะดาก็ะดาทนันเลาะก็นทนัเลาะอะไรจะเป็นอย่างนั้นขเขรียกว่าเราบวชมาตั้งจิตตั้งใจ